หมาจ้องหมาขัดจินเนื้อเราแล้วก็ขึ้นไปอยากให้มันบิดปากสุนัขด้วยหมานี่หนามมี้ซ้องลงมาบัด น, นี้เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีมีแรงมีการสับสีสับก็ถอยตัวลงมาหํามมี้ก็ซ้องขึ้นไปผมไปเห็นรูปภาพในใจเปนกลัวกลัวบาปกลัวข่วมชั่วร้ายเนี่ยกลัวจริงๆ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 มันก็เลยเข้าไปในคมคิดอันนี้แหละที่ผมว่าอย่าเข้าไปในคมคิดตอนที่ผมรู้ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอน2 0้าครับจนถึงหกโมงเย็นใช่ปหมคแต่อาบน้ำมันรู้มันเป็นวิปัสนาผมไม่รู้วิปัสนาครับวิปัสนานี่สมมุติให้ฟังครับเหมือนกับคนเป็นบ้าผมมาทำความเข้าใจกับเพื่อนทดลองดูเหมือนกับคนบ้า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 มันต้องจิตใจเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนจากสภาพความงอมาอยู่ความสลาดเปลี่ยนจากสภาพความไม่รู้มาอยู่ความที่รู้เปลี่ยนจากสภาพความหนักมาอยู่ความเบาเปลี่ยนจากสภาพความเป็นพุทธสลนมาอยู่ความเป็นอริยบุคคลผมข้อใจอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้รับรองได้ปฏิบัติอย่างนี้ครับ ผมรับรองคำพูดมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยครับจนถึงบัดนี้ครับตอนนี้ผมรู้จักวิปัสสนาวิบัี้ครับโอ้ที่เราเป็นกลางวันนี่แม้เราเป็นวิปัสสนาปาวิันวิปัสสนาวปันเวิปัสนอย่างนีวิปัส้นาใจปรนิงๆผมจางไปเห็นคนเป็นาวิปัสสนาิปัสนาวิปัสนาวจปัน า, านวิปัสสนาปนาปนาวิปัสนาวิปัสสนาวิปันาวาวิปัสาปันปันัสั